เป็นการอบรมธวรชาเรื่องมานะสองชั้นโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่เจกรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสันติอโศกเขาเชิญท่านจิตาทัาฟังได้นะบัดนี้พวกเราต้องนึกเห็นความจริงให้ได้เลยนะอาตมาพยายามพูดคำว่าความจริงเนี่ยมันนาน และพวกเราก็พยายามที่มาศึกษานี่ก็เพื่อที่จะเข้าไปถึงความจริงหลายคนอาจจะฟังแล้วชินหูเฉยเฉยความจริงความจริงแล้วก็ฟังไปเล่นเล่นฟังไปโดยที่เราว่าไม่เห็นความสําคัญถ้าใครไม่เห็นความสําคัญในความสําคัญไม่เห็นสาระในสาระผู้นั้นก็เจริญไม่ได้เนะพราะที่จะเจริญได้ก็ต้องเห็นความจริง ความจริงนี่มันตั้งแต่ความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรจริงอะไรดีอะไรถูกต้องจะมาบอกแล้วว่าความจริงหรือสัจธรรมนั้นต้องประกอบไปด้วยความดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นสิ่งที่พ้นทุกข์ เป็นสิ่งที่เข้าถึงความจริงได้ทางใจใจจะต้องเป็นความเป็นไปเป็นไปตามนั้นใจจะต้องดีใจจะต้องถูกต้องใจจะต้องเป็นประโยชน์ใจจะต้องเป็นไปได้นะจนจะได้เป็นเป็นยังไงล่ะมันมีกิเลสเราต้องการให้ไม่มีกิเลสดีไม่มีกิเลสนี่แหละถูกต้องไม่มีกิเลสนี่แหละเป็นประโยชน์เราก็ทําให้จิตใจไม่ไม่มีกิเลสนั้นจนได้ เป็นไปได้แล้วคนนั้นก็เข้าถึงความเป็นที่ใจนั่นแหละมันจะพ้นทุกข์ตามที่พุทธเจ้าสอนเรามาและอันที่เจท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ด้วยความจริงเนี่ยนะเอฮิประสิกโกเป็นตัวทายทั้งเจความหมายอาตมาพยายามชี้เงื่อนไขอะไรต่งตางๆนาน า, นาแล้วก็พยายามบอกพยายามย้ำ ไม่ใช่เราท่องแต่ตัวหนังสือได้ท่องแต่หลักเกณฑ์ทั้งท่องแต่หัวข้อธรรมะอะไรฟิวเราจาได้คลองปากพูดให้ใครฟังก็โกเก๋แต่ความเป็นจริงเราทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีส่วนนึงดีส่วนที่จำได้ท่องได้พูดในคนอื่นฟังได้คนอื่นก็ไปกินมดเรากลายเป็นจับกังจับกังแบกแบกทองให้คนอื่นคนอื่นได้ทอง แต่เราเองได้คาแบกเล็กน้อยเหมือนกับพวกที่ไกลเกลือจะกินอะไรไม่รู้พวกเดียวกันนะพวกไกลเกลือจะกินอะไรไม่รู้ลักคิดเราเองเคยพูดไม่รู้กี่ทีแล้วไม่ได้ประโยชน์น่าเสียดายเนะพราะเราจะต้องพยายาม ทะึกจริงๆเลยว่าเออเรามาหาสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือความจ ร, รมิงเรามาเอาความจริงนะก่อนอื่นก็ต้องรู้ให้ถูกต้องเป็นสมาธิทิตนี่แหละความจ ร, รมิงรู้ให้ถูกต้องเห็นให้ได้เข้าใจให้ได้ว่าความจ ร, รมิงหรือควา ม, รรมบอกแล้วว่าความจ ร, รมิงมันหมายถึงอะไรบ้างหรือสัจธรรมมันหมายถึงอะไรบ้างทั้งเจ็ดหลักมันดีถูกต้องเป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อผู้อื่นด้วย เราได้ให้เขาเราได้เสียสละเราไม่เอาลาบเราไม่เอายศเนี่ยเป็นประโยชน์เราไหมเป็นไหมเป็นอะไรเราหมดไปอ่ะเรามีเงินเยอะๆให้คนอื่นเขาไปไม่ประโยชน์เราเลยนะเงินเรามีตั้งสิบล้านทำทานหมดกลบลงเราเลยเหลือศูนย์เลยไม่มีสักบาทไม่เป็นประโยชน์เราเลยเป็นประโยชน์ตรงไหน นะเป็นประโยชน์ตรงไหนกิเลสลดกล้าเสียสละกล้าให้แล้วก็รู้ตัวว่าเราจะให้ได้เนี่ยไม่ใจงงงเงาเงาให้ไปแล้วตัวเองตายให้ไปแล้วตัวเองก็เราอยู่ไม่ได้ไม่มีที่พึ่งต้องพึ่งเงินสิบล้านพอให้สิบล้านเข้าไปเราละหมดที่พึ่งตายอันนั้นก็งงเงา เราจะให้เข้าไปได้เราก็ต้องมีที่พึ่งจริงๆว่าเราอยู่ได้นะเราไม่มีเงิน10บล้านนี่เราก็อยู่ได้เรามีมิตร ด, ดีสหายดีเรามีความสามารถของเราพึ่งความสามารถของเรานี่แหละพึ่งตนอัติอัตโนนาโธพึ่งตนตนมีความรู้ความสามารถเราก็ทำสร้างสรรค์ไปเท่าที่เราจะอาศัยตัวเราเรากินน้อยใช้น้อยได้แล้วนี่วันวันหนึ่งเราทํางานขนาดนี้ก็มีผลผลิตมีแรงงานอยู่ได้โดยเฉพาะอยู่ในวงมิตร ด, ดีสหายดี พึ่งมิตรดีสหายดีพึ่งสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยหรือพึ่งบุญเก่าไอ้บุญเก่าในบางทีเรามองไม่ออกเราไม่ไปพึ่งมากไม่เคยได้เพราะว่าเราคิดไม่ออกมันเป็นอจินตจให้บ้างเรื่องบุพเพกะตาบุญาตาเนี่ยเราไปบงังคับเข้าไม่ได้เช่นเราอยู่กับหมูเนี่ยแม้เราอยู่กับหมูมานานนะอยู่มาทั้งสิปี20ปีแล้วเราก็ขยนันหมั่นเพียรทมอยู่นี่แหล ะ, ะทําไปโดย โดยเฉพาะคนที่ทํางานเก่งแต่นิสัยไม่ดีจริญไม่ดีนะทำงานเก่งจริตไม่ดีทําไปกันบนก็นั้นด่าก็นี้ว่า ก, กันโน้นขัดเกลาเขาแรงคือจริญไม่ดีอนิสัยไม่ดีมันไม่สุภาพนะทำงานเก่งนะแต่ตัวเองอยู่กับเขาคนอื่นอยู่ก็ยากไม่ใครมีใครก็อย่อยู่ด้วยหรอกก็รู้ว่าดีนะดีด้วยละเอียดละอ้อด้วยนะ ประนีตอะไรแต่ต่างๆนั่นนขยันทําถูกทําเก่งอะไรก็แล้วแต่เก่งด้วยนะแต่โอ้โหอัตตามานะเหลือเกินสัดคนนั้นสัดคนนี้เขยังโง่ยัง ง, งี้ที่จริงบุญมีเหมือนกันนะบุเพกะตะบุญตาบุญเก่าทํามาสิปียีปิปีบุญคือสร้างดีทําดีอะไรดนะีมีเหมือนกันแต่พร้อมกันนั้นก็นไปว่าเขาก็มีวิบากบาปเหมือนกันวิบากความไม่ชอบใจวิบากที่ไปกระทกกระทะกระเทือน วิบากทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบใจอ่ะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยบางทีก็สอนเขาดีนะแต่สอนด้วยไม่มีศิลปะสอนเหมือนกับผีสอนเหมือนกับคนก็ยังไงล่ะมันมันไม่ถูกมันดุจหากมันแรงมันเกินมันไม่มีประมาณมันไม่มีสับรุษธรรมคนอื่นก็เลยไม่ยอมรับทั้งๆที่มันดีก็รับไม่ไหวก็เลยเป็นผลกระทบประโยชน์ก็ไม่ได้ เกิดความชังด้วยเขาไม่ยอมรับความชังน้ำหนาเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสเขาไม่ยกย่องไม่เฉิดชูไม่เอาด้วยตัวเองก็เลยไร้เพื่อนไร้มิตรดีนั่นก็ไม่ออกผลเต็มที่พิสูจน์ได้ในชาตินี้ก็ได้ใครจะเอาไหมล่ะลองดูก็ได้ให้ต่อให้เก่งให้ขยันให้ดีไงก็แล้วแต่เธอนิสัยไม่ดีอ่ะสรุปง่ายๆนิสัยไม่ดีอ่ะเอาไหมล่ะ คุณทำมาให้ตายสิปี20ปี30ปีคนจะมาชื่นชอบหรือว่ามันจะมาเ อ, อื้อเกื้อกูลเอ็นดูอะไรกันน้อยจะมีคนที่มีน้ําใจดีมีปัญญาดีที่เห็นในบุญในกุศลที่ชัดเจนเออเขาก็ทําดีสิ่งดีนะแต่ว่านิสัยเขาไม่ดีก็แยกออกมีใจออกว่าเออไอนั่นคืส่วนนิสยัยใจคอที่เขาไม่ดีแต่ส่วนดีเขามีเพราะฉะนั้นก็คนที่มีความลึกซึ้งแบบเนี้ ก็จะเข้าไปช่วยเลิกเกื้อกูลแต่ถ้ายิ่งคนที่ไม่มีความลึกซึ้งด้วยและก็แถมอาฆาตมาดร้ายด้วยเลิกเลย <c oughs> ไม่ลึกซึ้งมองความดีความไม่ดีไม่เอยชัดไม่ก็เจนอยากวิเคราะห์วิจัยไม่เคยออกและคนนั้นก็อาฆาตพยาบาทผูกโกรธ ด, ด้วยผูกชังด้วยติดยึดในความชังวางไม่ออกวางไม่เป็นเรียบร้อยไม่ได้เรื่องกันแล้ว นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความจริงพิสูจน์ได้เลยที่อาตมาอธิบายนี่พิสูจน์ได้ท้าทายพิสูจน์ได้ในความหมายข้อที่เจ็ดนี่ก็อธิบายขยายความบุเพกะตาบุญยตาให้ฟังพอพราะ้ธรรมธรรมบุญหรือทําความดีงามได้ดีลงสัตว์ลงส่วนมโมันก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ที่พิสูจน์ได้แม้ชาตินี้อ ขานนี้ก็เห็นได้จะขอยืนยันท้าทายพิสูจน์ได้เหมือนกันให้มันสมพร้อมเถอะมันจะเป็นได้เทีนี้เรามาเรียนเนี่ยอัตมาก็ย้ําเรื่องคําว่าความจริงความจริงเนี่ยความจริงมันจะเกิดมันจะเป็นได้ก็เพราะเราภาคเพียรประพฤติแก้ไขปรับปรุงทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติฟังอัตมาก็อธิบายอธิบายลึกซึ้งขึ้นเรื่อยขยายความมุมนั้นเหลี่ยมนี้นึกถึงอะไรได้ เห็นว่าควรในการละใดก็เอามาพูดเอามาบอกเอามาขยายให้ละเอียดละอ่อลายคนก็มีอัตตามานะฟังไปแล้วก็ในความขี้เกียจในความไม่ขมีขมันไม่ความไป็นการดูถูกดูแคลนซึ่งเป็นอัตตามานะชนิดหนึง่งดูถูกดูแคลนว่าเราไม่ต้องไปฟังเราเราก็รู้มากแล้วเข้าใจแล้วแต่ก็มีคิดมากจะแก้ตัวแก้ตัวเองว่าไอ้ที่รู้รอยู่แล้วนี่ก็ยังทําได้ไม่หมดเลย จริงอันนี้จริงเพราะว่าอาจามาสอนมากจริงๆไอ้ที่รู้รอยู่แล้วเนี่ยยังทำไม่หมดเลยไม่ต้องไปดูหรอกใครทำไปที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็พอแล้วคอยเก็บเอาฟังเอานี่ก็เหลือแหล่ะนะทีฟังที่จริงมันเป็นการฝึกหัดตนเองอ ะ, ะเราเองเราเองไม่อยากมาฟังหรือว่าไม่อยากกระทาสิ่งนี้เนี่ยทั้งท้งที่รู้มันดีกณเถียงไม่ได้นะรู้มันดีเถียงไม่ได้หรอก แต่เราก็ดูถูกไม่ทําสิ่งนั้นตั้งๆที่เรามีโอกาสทําดีแต่ก็ไปเข็นใจในกิเลสนอนดีกว่าเล่นดีกว่าหรือทําอะไรที่เราชอบดีกว่าตั้งๆ ท, ที่มันไม่มีความเร่งรัดไม่มีความจําเป็นอะไรรีบด่วนอะไรล่ะ แ, แต่แก้ตัวนะ่ะคือความจนไรมันเข้าสิงน่ะหรือซีหความจนไรมันเข้าสิงมันก็เห็นดีเห็นชอบไปตามแล้วก็พัดแล้วก็ไม่เอาละโอกาส เพราะเราไม่รู้ได้ว่าวาระนี้นี่เขาจะเทศหรือเขาจะบรรยายรือสิ่งที่จะแจกเนี่ยบางทีมันจะเป็นของที่ตรงกับเราที่สุดเลยเป็นสมบัติหรือว่าเป็นไอตัวที่เรากําลังสแสวงหาหรือควานหาอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่เจอไมนยังไม่ได้รับแต่วันนี้แหละเขาจะแจกสิ่งนี้แหละหรือไม่เจตนาจะแจกแต่มันก็ออกมาแจกโดยที่แม่อันนี้นี่เรากําลังหาอยู่เลย เ, ยเป๊ะเลย คุณก็พลาดโอกาสไปแล้วอีกกี่นานอีกกี่เมื่อไหร่อะมันจะพลัดจะผุออกมาให้เรามันเป็นความละเอียดนี่มันยิ่งน้อยยิ่งเล็กยิ่งนับยากจะยิ่งจะไปกําหนดรู้ยากบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะรู้นี่ยไม่ใช่ว่าฟังคําเดียวเนี่รู้มันต้องมีพละความต้องมีเรื่องราวต้องมีองค์ประกอบต้องมีสิ่งที่บางทีต้องมีรูปธรรมต้องมีหมูมีมวลมีอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมประกอบ มันจึงจะเข้าใจได้ถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบอะไรต่างๆเลยละอย่างเข้ามาเป็นเหตุปัจจัยด้วยมันรู้ไม่ออกเข้าใจไม่ออกรู้ไม่ถึงเข้าใจไม่ได้หรอกคุณจะรู้สึกปฏิบัติทํามไปแต่คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ลึกซึ้งหรือสิ่งที่ลาบากที่รู้ยากเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งกาละโอกาสทั้งสิ่งแวดล้อมบางทีจะต้องเข้มเข้มคนคด อู้รู้ดีกระจังทำให้เข้มข้นนันก็ไม่มันก็ไม่ เ, เป็นองค์ประกอบที่จะขัดเกลาร์หรือว่าเน้นเน้นอะไรขึ้นมาให้เราได้เห็นชัดรู้ได้ง่ายมันจะไม่ถ้าเผื่อว่ามันไม่องค์ประกอบไม่พร้อมไม่พออย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะนเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราอย่าไปโอบไอ้กิเล่มันนักถ้าเรามีงานมากจริงๆมันจําเป็นมันรอดมันรัดตัว เ, เราก็อ่อันนี้แล้วก็ จำเป็นตัวขอลากิจมันควรจะเป็นกิจประจําวันหรือกิ จ, จวัดนะกิ จ, จวัดเนี่เราก็รู้ว่าทาําวัดนี่ยเป็นกิ จ, จวัดมันไม่ควรจะพลาดกิ จ, จวัดถ้าเผือว่าเราเองมีความจำเป็นงานนั้นจะต้องเร่งต้องด่วนด้วยสิ่งนั้นเราต้องทำเอาแล้วไปเถอะอย่างนั้นไมมีปัญหาอะไรแต่เราควรจะทําตัวเราจัดตารางสอนให้แก่ตัวเราเวลาเร่งมีเราก็เอ้าก็จํายอม เวลาเราไม่เร่งอะไรนะักเราต้องทำกิจวัตรเป็นหลักให้ได้แล้วก็ทำให้มันได้ทำเป็นนิสัยมันเป็นการแก้จิตที่บาเรอตนจริงๆด้วยอย่างน้อยก็บาเรอความชอบค่าชอบอย่างนี้อะไรกันแล้วแต่จะชอบอย่างไรกันแล้วแต่ชอบที่จะเอาอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุผลในการที่จะอ้างว่าอันนั้นสําคัญความจริงมันสําคัญจริงไหมมันสําคัญกว่าจริงไหม มันพอปล่อยประวะวางเพื่อที่จะมัดทากิจวัตรทําสิ่งที่นี้นี่ ม, มันสําคัญกว่าเนี่ยอะไรมันสําคัญกว่าแน่ก็อยู่ที่ปัญญาหรืออยู่ที่ความเอ็งเอียงของเราเองถ้ามันเป็นปัญญาแท้มันก็คือปัญญาแท้ทำมันไม่ใช่ปัญญาแท้มันเป็นความเอ็นเอียงเข้าหาความชอบของตนก็คือตัวตนนั่นแหละคือเรียกว่าอัตตาความปรารถนาของตนเพื่อเซฟด้วย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยไม่ใช่เพื่อละเพื่อนายเพื่อคลายด้วยแต่เพื่อที่จะสังสมกองกิเลสด้วยนี่ต้องเรียนในชัดอ่านในชัดฟังดีๆบางคนฟังที่อัตมาเทศนาแต่ต้นจนขณะนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันมเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเบาบางเป็นเรื่องไม่เห็นมีความสําคัญขอยืนยันว่านี่เป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งที่เทนมาแต่ต้นมาถึงตอนนี้เนี่ย เป็นความเป็นรายละเอียดลึกซึ้งซึ่งในหมู่เราเนี่ยังมีเยอะทั้งสมณนะศิขมาสขอยืนยันประมาทและดูถูกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาตมามีเวลาต้องตายนะอาตมาไม่มีเวลาจะต้องมาพูดอย่างนี้อยู่อีกเรื่อยๆไปเพราะได้ฟังสดๆอย่างนี้ยิ่งดีเพราะอาตมาเทศน์นี่ถ้าบอกว่ามาดูหรือมาเห็นด้วย กิริยาท่าทางสีหน้าสีตาเนี่ยมันสื่อมันบอกให้เราได้มากกว่าคุณฟังแต่เทพเฉยเกับฟังเทพสดเนี่ยมันต่างกันจังอะไรดีต่างกันนะคุณฟังเห็นหมดเลยทั้งมือทั้งม้ทั้งสีหน้าสีตาทั้งกิริยาอะไรแต่ละรประกอบเทพออกไปนี่คุณเห็นมองเต็มรูปเต็มเรื่องนี่นะมันสื่อได้มากกว่าชัดกว่าคุณนั่งหลับตาแล้วก็ฟังในเสียงนี่มาถึงนั่งแล้วหลับตาฟังในเสียงคุณก็ลดลง ไม่รับหมดทุกทวารดูแต่ฟังได้สูงหูตารับไม่ต้องดูคุณก็ได้รับการสื่อน้อยลงไปส่วนหนึ่งคุณรู้ได้น้อยกว่าแต่ก็ได้มากกว่าฟังจากเทปอัดเทปลงไปยังได้น้อยกว่าที่คุณฟังหนึ่งแม้แต่หลับตานี่แหละแต่คุณก็ยังใกล้ยังชิดก็ยังมีอ น, น, นุนียน้าหนักความอ่อนความหนักอะไรต่างๆนานา สิ่งนั้นสิ่งนี้องค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยหลายๆอย่างในกาลเวลาที่เราสื่ออะไรออกไปทำอะไรออกไปนี่ทําด้วยองค์ประกอบสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ประกอบอยู่มันทําจริงกว่าคนที่ไม่มีสิ่งประกอบทําอยู่ว่งๆอ่าไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเราแสดงละครบนเวทีในเวทีที่ไม่มีคนดูแล้วเราแสดงคนเดียวเนี่ย กับแสดงละครบนเวทีกับมีคนดูเยอะๆคนแสดงยังทำได้ต่างกันเลยบางคนทำได้ยากเพราะตกใจประมาอายกลัวคนดูมากๆคนมากๆแสดงได้ไหมเขาา้าท่าบางคนคนยิ่งดูมากๆยิ่งแสดงได้ดียิ่งแสดงได้วิเศษแสดงกับเวทีบ้างๆเปล่าๆไม่ค่อยมีกำลังใจไม่ค่อยเขาา้าท่า อย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งวแวดล้อมมีฤทธิ์มีอํานาจมีผลต่อการเป็น ต, ต่อการประพฤติต่อการปฏิบัติต่อการแสดงออกด้วยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นองค์ประกอบคําว่าองค์ประกอบที่อาตมาพูดบอยบอยอยบอเนี่ยในภาษาฝรั่งก็เรียกว่า composition องค์ประกอบแห่งสินองค์ประกอบแห่งสินต่างต่างที่มันจะรวมตัวกันเป็นสนร้อยมีผลมีอะไรอะไรประกอบแล้วมันก็ออกฤทธิ์มาบวกลบคูนหาร จะเกิดผลมันจะเกิดผลขึ้นมาองค์ประกอบนั่นนะสําคัญอะไรอะไรก็ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบองค์ประกอบเลยจะเป็นริดเป็นแรงเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดมีผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรตัวเราด้วยองค์ประกอบด้วยเมื่อเราศึกษาฝึกฝนกับสิ่งที่เราทําตามองค์ประกอบด้วยมันก็จะเกิดไปตามที่เราเรียนรู้เราฝึกฝนไป การมานั่งฟังธรรมเนี่ยสดๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีน่าถือเป็นบุญหรือเป็นกุศลหรือเป็นเป็นโชคอย่างยิ่งที่เราได้ฟังได้อะไรต่อไรแต่คนประมาทนี่คิดมักจะประมาทเรื่อยพระุทธเจ้าถึงได้เตือนเรื่องประมาทเนี่ยท่านรวมความรวมธรรมะทั้งหมดลงไปถ้าธรรมะใดที่จะไม่เจริญก็เพราะตัวประมาทผู้ใดไม่ประมาทนั่นนหะเป็นตัวเจริญ เพราะธรรมะพูะเจ้ารวมลงว่าสูงสุดในตัวจีที่ตัวประมาทกขาไม่ประมาทผู้ใดจะเจริญก็เพราะว่าไม่ประมาทผู้ใดจะชั่วจะตกต่ําจะไม่เจริญได้ก็เพราะประมาทความประมาที่เป็นทางแห่งความเสื่อมจริงๆทางแห่งความไม่เจริญจริงๆนะคุณฟังความหมายคําว่าประมาทมันเป็นภาษาไทยมากแล้วคุณฟังเอาไปกันแล้วกันแล้วก็ไปทําความเข้าใจเอาเองนะ อาลาอาตมาก็มีหน้าที่ผู้ได้ใฝ่ใจเอาก็รู้จักคุณค่าก็รับไปแม้ว่าไม่ได้ฟังที่อาตมาพูดเอาเทศโดยตรงได้ฟังเทปก็ยังเป็นเทคโนโลยีแล้วเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะเป็นไปได้ตั ว, วันนี้แต่ก่อนนี้อาศัายคนจําพูดอาจารย์เทศไว้แล้วก็จําแล้วก็เอามาบอกต่อทอดกันเดี๋ยวนี้มีเทปอาจก็เอานอกจากเทปแล้ว ย, ยังเอามาคัดมาถอดเทปออกมา ไว้เป็นภาษาตัวหนังสือมันก็ลดลงไปเรื่อยๆแหละถอดเทพออกมาเป็นภาษาหนังสือมันไม่เหมือนฟังซ้าเสียงจากเทพหรอกฟังจากเทพจริงๆ เ, เนี่ยนะและ้วก็ถอดเทพออกมาทุกตัวเลยนะเอเอ اء, ๆอะไรคุณเขีย น, นหมดเลยนะสำเนียงหนักสำเนียงเบาคุณมาขับเลยนี่สำเนียงเน้นสําเนียงเบาอะไรคุณมาเขียนประกอบไปด้วยเลยมันอ่านแล้วมันก็ยังไม่เหมือนกับฟังจากเทปหรอกใช่ไหมมันจะรู้ดีไม่เท่าแต่มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆแหละถอดจากเทพก็ยังเป็นส่วนเหลือจากคําสอน ต่อทอดออกมาจากความจริงที่ผู้พูดผูดเ้เป็นอาจารย์ผู้เป็นผู้รู้แสดงไว้แต่เราก็ทํำเราก็พยายามกันอยู่ครัพวกเรานี่ยถึงขนาดถอดเทปไว้เก็บไว้อาตมาไม่อยากจะพูดเท่าไหรหรอกแต่ก็พูดบ้างให้พวกคุณฟังว่าสิ่งที่อาตมาสอนเนี่ยหรืว่าสิ่งที่อาตมาทำเอาไว้เนี่ยพวกเรามันมีมากจนไม่รู้จักค่า อาตมาตายไปแล้วเป็นร้อยร้อยปีเคยดูครับพระคุณก็คงดูไม่ออกหรอกพราะคุณคงไม่ได้อยู่ดูหรอกถ้าเป็นร้อร้อยปีไปแล้วก็พระคุณก็คงตายไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละอีกร้อยกว่าปีร้อยสองร้อยปีสามร้อปีอะไรไปแล้วมันถึงจะเกิดค่าทุกวันนี้ก็ยังจะไม่รู้สึกค่าอะไรหรอกอาตมาไม่อยากพูดหรอกมันเหนมือนเห็นมันเหมือนยกตัวยกตนมันเหมือนเห็นหลงตัวหลงตนความจริงมันไม่ใช่เพราะอาตมารู้อยู่ว่าอาตมาพูดอะไร สิ่งที่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งขนาดนันอาตมาว่าอาตมารู้อาตมาก็เน้นกับพวกเราอยู่อาตมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญของมนุษย์ชาติเพราะอาตมาไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นโลกียะเป็นเรื่องตื่นๆเขินเเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอะไรอาตมาแน่ใจว่าอาตมาสอนสิ่งที่เป็นสิ่งวิเศษที่อาตมาไม่ได้พึงไดมาในชาตินี้ก็บอกกับพวกคุณเป็นอุตริมนุสธรรมอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่วิเศษของมนุษย์ชาติจริงๆไม่ใช่ได้มาแต่ชาตินี้ตัวนั้นอาตมาสืบทอดมา ศึกษามาฝึกฝนปฏิบัติประพฤติมาด้วยความอุตสาหะิริยมากับพระพุทธเจ้าเราทำมาจริงๆเราเห็นว่าเป็นความสำคัญจริงๆของมนุษย์ชาติพู้ปคุณก็คงเชื่อนะคนที่ศรัทธาเข้าใจอยู่แล้วคนก็ไม่เชื่อก็เพ่งโทษได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะดูถูกดูแคลนหรือว่าจะจะเทเด็ ประมาทมิน่นแคลนพอมาถึงคาว่ามิน่นแคลนนี่อาตมาอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาประเด็นที่ละเอียดลึกซึ้งอันหนึง่งในหมู่พวกเราเนี่ยเราเองเรามาทำดีเรามีดีและเราก็มีความเฉลียวฉลาดมีความถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้อง ในความดีในความถูกต้องเสร็จแล้วเราก็มีจิตลึกๆตัวหนึ่งไม่ใช่จิตออกกิเลสมันอยู่ในจิตนั่นแหละกิเลสกับจิตมันเกิเหมือนๆกันคล้ายๆกันมันไม่ใช่อันเดียวกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าวิเคราะห์ได้แยกได้วิเคราะห์กิเลสกับจิตนี่ได้แยกออกได้ทําลายมันได้มันเป็นแขกมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอื่นเป็นแขกอาคันตุกะ มันเข้ามาสิงอยู่ในจิตอยู่นานแล้วอแขกประจําแกะไม่เคยออกด้วยไม่ใช่แขกจรเพราะนั้นแปลว่าอาการตุ ก, กะว่าแขกจร น, นี่ผิดคําว่าอาการตุ ก, กะอาันรตุกเกพระพุทธเจ้าตรัสคําว่าอาการตุ ก, กะหรืออาการตุกเกเท่านั้นนะท่าไม่ได้บอกว่าอาการตุ ก, กะที่กัจรก็คือเดินทางไปมีคําว่าเดินทางมีคําว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะจรมันก็ภาษา บาลีโดยตรงมีอาันรตุกะเจเรจรหรือว่ามีอาการตุกะคตะดําเนินไปมันเป็นไปอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีไปแปลว่าไปแปลว่าจรแปลว่าไม่ได้ไปไปมาๆมันไม่ได้อยู่ประจําจะระลุจอนเนี่มันก็แปลว่าเดินมันก็ดําเนินไปเหมือนกันนะไม่ใจะอาันรตุกะจรอันนั้นมาเติมเองใครเติมก็ไม่รู้ แต่ได้ยินตะพุทธธาตุนะเอามาเขียนมาว่าเยอะาอาคารตุเกอาคารตุกะนี่เป็นแปลว่าอาคารตุกะจรมันจอนเข้ามาเป็นครั้งคราวยิง่งไปกระหน่ำขยายความมาครั้งคราวยิ่งไม่จริงใหญ่อนุใส่เนี่ยมันนอนนิ่งมันนอนเนื่องมันปักก่นบึ้งอยู่กับคุณมันไม่จรมันประจํามาตั้งนานแล้วประจำยังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยนะเกิดมามันก็มาด้วยไม่ได้มาจรเจออะไรหรอกมันเป็นอนุสัย อนุสัยนี่มันอยู่กับเรานะอนุสัยไม่ได้หมายความว่ามันจรไปจรมานะมันเอาออกยากนะล้างอนุสัยออกแล้วก็แหม่สบายเรียบร้อยเลยมันไม่ใช่ของใหม่มานะอนุสัยไม่ใช่ของใหม่มามันเป็นเราอนุสยะเนี่ยมันตามเราด้วยว่ามันอยู่กับเราเลยสยังเนี่แปลว่าเขาอันเป็นเราอนุนี่แปลว่าตามความเป็นเราอนุสยังอนุสัยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตามความเป็นเรามาตลอดกาลนาน เขามาแปลโดยโวหารว่าเป็นสิ่งที่นอนเนื่องเป็นสิ่งที่ตกผึกก้นบึ้งคือมันตีไม่แตกแกะไม่ออกมันเหนียวมันแน่นมันอยู่กับเราสยะมันอันเป็นเรามันเป็นเรามาแต่ต่างเมืองปางบันไหนก็ไม่รู้มันต้องรู้มันให้ได้แล้วก็ล้ามันออกอนุใสเนี่ยเพราะฉะนั้นแขกจอนก็คือแขกที่เป็นประจํำขออภัยไม่ใช่แขกจรนไอแขกอคันโตเกนี่คือแขกที่มันประจําไม่ใช่จอนเพราะฉะพวกเราจะไปพูดจยางนั้น กิเลสมันเป็นแขกจรมันจอนมาก็มีแขกจรด้วย ม, มันพึ่เข้ามามันจอนมาใหม่แต่พวกเราเนี่เป็นพวกศึกษาธรรมะเนี่ยอยู่ในวงสายศีล น, นะป้องกันไม่ให้แขกจรเข้ามาเล่นงานเราแล้วก็พยายามที่จะปิดประตูตีแมวพยายามที่จะเอาสายศีลกันมาให้แก่แขกจรเข้าใหม่แล้วไล่ฆ่าไล่ล่าแขกเก่าแขกนี่คือตัวไม่ใช่เรา กิเลสเก่ากิเลสที่มันประจำมันไม่ใช่ประจำประจำธรรมดาเลยนะมันหลอกเราว่าเป็นเราด้วยนะไม่ใช่มันประจำธรรมดามันหลอกตัวเราว่าเป็นเราเลยอ่าไม่ง่ายที่เราจะรู้ว่าตัวไม่ใช่เราที่จะรู้ว่าไม่ สุดท้ายแม้ว่ามันจะเป็นเราจริงๆคือคุณงามความดีอะไรเป็นจิตจริงๆเป็นจิตบริสุทธิ์ที่เราใช้จิตบริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมีขันธ์หามันก็มีจิตมีเจตสิกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีแต่มันสะอาดแล้วอย่างของพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีเป็นธรรมชาติของท่านแม้กระนั้นท่านต้องทำใจในใจไม่สำคัญมันหมายว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนจนมันต้องไม่พรากจากกัน ตายแล้วก็ต้องไปได้วยกันอีกก็เป็นพบเป็นชาติอีกไม่จากเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าที่ต้องฝึกฝึกฝึกเป็นอนาคามีเนี่ยมีจิตที่ดีจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นต้งแหมมากมายต้องมาเรียนรู้เพื่อตัดเพื่อละเพื่อวางเพื่อปลดปล่อยพบชาติของนี้ไม่ให้เป็นเราจิตสะอาดสะอาดจนจะหมดอยู่แล้วลพร ะ, ะอนาคามีนะถึงแม้จะมีจิตที่เหลืออยู่อนาคามีสูงๆขึ้นไปก็มีแต่จิตดีจิตที่เป็นประโยชน์คุณค่ากับผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตนแต่มันก็เป็นคุณค่าเป็นกุศลวิบากเป็นกุศลจิตที่เป็นคุณค่าอันดีแต่เราจะไปหลงกุศลอย่าไปหลงดีมันเป็นมหาสมบัติอันวิเศษนะอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราปล่อยให้ได้ปล่อยให้เป็นถ้าปล่อยไม่เป็นอรหัตผลก็ไม่เกิดถ้าปล่อยเป็นแล้ว จริงๆเลยหมดความติดความยึดจริงๆเลยไม่หลงไหลไม่ติดยิดว่าอะไรเป็นเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราได้จริงเลยทั้งก็เป็นพระอาหารหันต์อรหัตผลก็ได้ทันทีตรงนี้ตรงสุดท้ายทั้งๆด้อยู่นีนมาดนเป็นภัยแก่ตนไม่ได้เป็นภยันนภยแก่ผู้อื่นอะไรเลยมันเป็นจิตดีมันเป็นตัวพลังงานที่ดีเป็นสมบัติที่ดีที่สุดของสัตว์โลกคือมนุษย์ อันนั้นไว้ขั้นนู้นเถอะไอ้นีน่นะไอ้ล้างขี้กับรถเท่าอย่างล้างไม่เป็นเลย Yuan. แล้วจะมาวางจิตที่ดีที่ไม่ต้องไปไปล้างมันเรารไม่ต้องล้างแล้วเป็นแต่เพียงอย่าทําสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้น دة. นะนะไม่ต้องไปล้างไปเรื่องอะไรก็เป็นจิตสะอาดอยู่แล้วจิตที่เป็นคุณค่าประโยชน์อยู่แล้วแต่เราไปทำแต่เราก็ทําเพียงอย่าสําคัญมั่นหมายอย่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นสุดท้ายนั่นจิตของพระอานนท ทนจิตของพเรานะี่นะคุณยังไม่ล้างเลยแล้วมันจะเป็นสะอาดบริสุทธิ์หรือมันจะไปทําเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโทอกุสลวิบากนะั้นมันยอมเหรอความจริงก็มันก็คือคุณจะไปตัดลัดเราปล่อยมันเลยชั่วก็ไม่ใช่ของเราดีก็ไม่ใช่ของเราละวางไปเลยไม่เอาแต่มันก็ไม่ได้รู้ว่ากิเลสมันเป็นยังไงได้ล้างในละแล้วหมดสะอาดไปแล้วมันสะอาดยังไงไอความชั่วสัพพะปาปัสสะากาัรนังมันเป็นยังไง ยังไม่รู้เลยยังทําไม่สําเร็จแล้วแต่ข้ามขั้นเอาจิตสะอาดอย่างเดียวสัจิตตปรโยทปนังไม่รู้ดีชั่วฉันไม่เอาท่านไม่ยึดมาเป็นของฉันนี่แหละลาดับอันนี้แหละธรมบุตธาตว่าธรรมาย้อนแยงกับท่านบอกว่าอันนั้นเป็นโล ก, กิยะโลกุตระมสะจิตตปรโยทปนังตัวเดียว มันทั้งสามเลยมันตัวเดียวที่ไหนมันเป็นขั้นตอนไม่มีลำดับเ่อตามาติ้งท่านมากก็คือความไม่เป็นลำดับของพระท่านพุทธเจ้าไม่เป็นลำดับซึ่งเป็นความลำดับนี้ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ลาดลุ่มอย่างหน้ามหัศจรรย์คําว่าหน้ามหัศจรรย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื้นตื่นไม่ใช่เรื่องหยาบหยาบแล้วนะมันเรื่องลึกซึ้งละเอียดมากนะมหัศจรรย์นี่แล้วมันลาดลุ่ม ไม่เป็นเหวโตกชันอะไรต่างๆนานานะศึกษาให้ดีๆเถอะคนคืออะไรเนี่ยอาตมาเติมไว้นะในเรื่องความลาดลุ่มเป็นมหัสจัลเนี่อาตมาก็เติมไว้ในคนคืออะไรเล่มใหม่เล่มเก่าไม่มีหรอกเพต่ก่อนนี่อาตมายังไม่มีนิรุติภาษาไม่มีปฏิภาณอะไรปานนั้นเดี๋ยวนี้มีก็เลยเสริมเข้าไปเป็นความสําคัญ งั้นแตเราเองเรามารู้มาเรียนตนเองอ่านให้ดีๆเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับพยายามลดละสิ่งที่ไม่ดีออกกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดมีขั้นตอนจริงๆถ้าใครทำได้ถูกจังหวะเสร็จแล้วมันไม่รู้ตัวง่ายๆเรา ว, ว่าเราพยองสารพะยิงถือดี ถืดีแล้วมีตัวหนึ่งที่อาตมาจะเปิดเผยนี่ที่จะกําชับก็ใช้เพราะเราตั้งใจฟังดีๆก็คือมันไปดูแคลนคนอื่นฟังคําว่าดูแคลนรู้เรื่องไหมมันมีเชิงดูแคลนคนอื่นไม่รู้ตัวง่ายๆนะบางคนนี่หยาบด้วยดูแคลนคนอื่นอย่างหยาบออกมาทางกิริยาเลยทางกายทางวาจา สายหูสายตาเห็นหมดเลยชัดหยาบดูแคลนคนอื่นและไม่ใช่ดูแคลนทำแต่หางตาทำขยะขยงเท่านั้นนะซัดเลยทั้งกายวาจาปากก็ขมทล่มเขากายก็วากวๆๆววดูแคลนฟังความนี้ให้ดี ที่สอนนี่อัตามาณะทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องการที่สอนนี่เรื่องอัตมาณะทั้งนั้นอัตมากําลังขย่มเรื่องอัตามานะนี่แหละเก็บละเอียดเรื่องอัตามานะมากเหลือเกินพวกเราเนี่จะเจริญได้โดยการลดอัตามานะเรื่องการพวกเราก็สงวรระวังก็เข้าใจกันอยู่เยอะมีอยู่น้อยเดีว่าพวกตํารวจในเรื่องนี้เยอะแต่อัตามานะในตำรวจยังไม่ค่อยจะเก่งตํารวจก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จับไม่ก็ถูกบางทีก็คบหาก็ โจรด้วยซ้ําโจรอัตตามานะเนาะตำรวจเองก็เผลอนึกว่าเพื่อนที่แท้ก็โจรด้วยกันตำรวจก็เป็นโจรโจรก็เป็นโจรคบห้ก า, ากันไปนะหรือว่า ต, ตำรวจนะนึกว่าเป็นตำรวจด้วยกันที่แท้โจรด้วยกันผีด้วยกันมันไม่ง่ายนะมันนึกซึ้งนะที่พูดที่อธิบายเนี่มันเรื่องของอัตตามานะเรื่องของตัณหาภาวะตัณหาไม่ใช่การมาตัตตนาทีเดียวนะ เพราเม่อเราดีถือดีมานะมีดีมานะนี่ไปอ่า น, นดีๆในคนคืออะไรก็ขยายไว้ว่ามานะคือความทะเยอทยานอยากในดีในความสูงความเจริญต้องมีในคนทุกคนมานะฟังดีๆนะต้องมีในคนทุกคนแต่ต้องละในตัวของคนทุกคนมานะนี่มีสองชั้นมานะชั้นที่หนึ่งก็คือต้องรู้ว่าสิ่งนี้ดีต้องทะเยอทะยานเอาดีเนี้ยได้ เมื่อได้แล้วนี่อะไรกําลังอธิบายต่อนี่เมื่อได้แล้วเ ร, เราก็ยิงพยองแล้วเราก็ถือดีถือดีมานะถือดียุดดีนี้เราดูแคลนคนอื่นคมคนอื่นทะเลาะคนอื่นอนุโลมกับคนอื่นไม่ได้หยาบกระด้างไม่มีศิลปะไม่มีอนุโลมปฏิโลมไม่มีจังหวะที่จะประมาณกระทําประมาณไม่เป็น พวนี้ไม่ใช่สัตว์ตบุรุดประมาณไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวเองด้วยอัตตัญญุตาไม่มีตัวเองหยาบคายขนาดไหนวา่าเผยไปขนาดไหนปากโอเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกนี่เลือปากจํานวนคงรู้กันนะนะโอนี่เรือปากพูดเลือเกินเหลือกินเลยจนคนเขาจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวคือไม่รู้เลยว่าตัวขนาดไหนประมาณไม่เป็น คำว่ า, าประมาณเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าตัวเราคือใครตัวเราแค่ไหนจะพูดกับกลุ่มนี้หรือจะพูดกับคนคนนี้คนคนนี้เขาศรัทธาเราหรือเปล่าเขายกให้ไหมถ้าเขาไม่ศรัทธาเขามายกให้คนพูดอย่างเงี้ย น, นะเดี๋ยวก็ได้เรื่องถึงแม้ไม่ได้เรื่องก็เดี๋ยวก็เขาฟังแล้วเขาก็ไม่เขาก็เกลียดโกรธเขาไม่รับไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไร หาศัตรูให้ตัวเองด้วยแล้วคนโง่หรือคนฉลาดนะพูดแล้วก็หาศัตรูให้ตัวเองก็โง่ตายเพราะนี้เนะ่เป็นนายาละเอียดเหมือนก็พูดเรื่องไม่ใช่มากใช่ไหมแล้วเนี่ย ท, ที่กำลังพูดนี่เหมือนไม่ใช่เรื่องมากหรือไมยแต่เรื่องมากนะเทวดาอาตมา ก, กำลังพูดเนี่ยโดยเฉพาะในหมู่พวกเรานี่มาก ม, มาก แล้ว เ, เมื่อมันได้ดีแล้วมันมีดีแล้วกว็ดีละ่ะมานะชั้นตน้นเอาดีให้ได้แล้วจะต้องลดมานะเอาลดในชั้นสองซ้อนแต่ไม่ให้ไปทําลายดีนะคุณมานะอุตสาหาเพื่อที่จะได้ดีนั้นเอาให้ได้แต่ไม่ใช่ให้ไปทําลายดีที่คุณได้แต่คุณทําลายใจซ้อนที่มันถือดีมันหยิ่งผยองมันไปข่มคนอื่นมันไปมขปรขปราศะ มันอะไรก็แล้วแต่มันจะไปริษยาด้วยได้เพราะฉั้นดีฉันก็เลยแข่งดีกับคนอื่นฉันก็ไม่อยากให้คนดีมาแข่งเท่าฉันไม่อยากให้คุณมันดีเท่าฉั้นอะไรงนี้เป็นต้นมันซ่อนอยู่ในอุปกิเลสพวกนี้อิศามัชเริยะฉันได้ดีแล้วฉันก็ตรหนีความดีของฉันฉันไม่แจกความดีให้ใครไม่แจกความรู้นี้ให้ใครปกปิด อะไรอย่างนี้เป็นตน้นขี่ห่วงขี่แหนความดีความรู้มัจฉริยะจนถึงมายาสาเถยเสร็จแล้วก็เลยทลําลวงๆหนักเข้าโกหกเลยมายามีความรู้อันนี้เปล่าไม่มีอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้สิอะไรก็แล้วแต่โกหกไปเลยมาโกหกก็เลี่ยงลวงหลอกอะไรต่ออะไรเป็นมายาเป็นสาเถยยะ เป็นการอวดอวดโชอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรแปลงแปลงปอมๆเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในสังคมนี่เห็นมท่าทีลีลาซ้อนเชิงให้เข้าใจผิดซึ่งเป็นการปรุงแต่งได้เยอะปรุงแต่งท่าทีลีลาที่ซ้อนๆนี่เป็นมายาเป็นสาเถยะโชโอ้วดอวด อ, อวดในสิ่งที่มันนึกวันดีแต่ความจริงโชในกิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยาที่ไม่ดีเพราะมันเป็นตัวพลางตัวลวงตัวหลอก พราความจริงใจประมาณนี้ควรจะแสดงจริงได้ขนาดนี้แล้วไม่ควรไปสลดแสดงซับซ้อนจนกระทั่งกลายเป็นคนอื่นเข้าใจตัวผิดตัวปลายผิดเพราะนั้ไการที่จะทําอะไรซับซ้อนจนคนอื่นเข้าใจตัวจริงเข้าใจตัวถูกต้องไม่ได้เนี่ยเราจะต้องประมาณมต้องรู้แล้วซับซ้อนกี่ชั้นหลายชั้นจนกระทั่งคนคนนี้เขาไม่รู้ชั้นจริงหรอกชั้นที่เขาจะรู้เนี่ยกลายเป็นชั้นหลอกเป็นตัวหลอกเป็นตัวไม่ดี ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสแสดงสิ่งที่ไม่ดีอันนี้โดยคนที่รู้นี่เข้าใจว่ามันเป็นตัวดีเนี่ยอธิบายง่ายๆแล้วคนก็เลยเข้าใจตัวนี้ว่าดีความจริงตัวนี้ไม่ดีแต่ซับซ้อนคนนั้นก็รู้ไม่ทันคนที่รับไม่รู้ไม่ทันก็เดยรับเอาอันนี้ไปว่าดีแต่ความจริงบอกแล้วว่าตัวนี้ที่สแสดงออกเนี่ยปลายท้ายปลายสุดมันนี่คือไม่ดีมันซับซ้อนหลายชั้นเขามันก็สุดท้ายไปตกตัวจบเนี่ยมันไม่ดี แต่คนนี้หมากไม่สูงเดินหมากไปถึงชั้นนั้นไม่ได้เขาก็รับไม่ถึงตัวนั้นคนคนนั้นก็หลงผิดแล้วก็รับเอาสิ่งที่มันไม่ไม่ดีนั้นไปว่าดีเนี่ยมายาสาเถยการแสดงสาเถยยาก็คือการแสดงแสดงออกที่ไม่ดีเรียกว่าโออวดหรือโชว์ไอโชว์สิ่งดีนะ่ยมันไม่มีปัญหาหรอกในโลก โชว์สิ่งไม่ดีที่ตัวเองนึกว่าดีนั่นหละเป็นความซับซ้อ น, นสาเถยธรรมะดื้อดานดื้อเนี่ย ก, ก็คือรู้ทั้งรู้แต่กูก็จะทำโดยเฉพาะรู้ความไม่ดีนะรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่กูก็จะยึดไม่ดีอันนี้ล่ะกูก็จะทำไม่ดีอันนี้เนี่ยมันดื้อจริงๆนิง หรือรู้วันดีแต่กูจะไม่ทําอ่ะแนี่ไม่รู้จะพูดยังไงกูจะทําชั่วชั่วอย่างงี้จะทำไอโอเลิกเลยรู้ว่าไม่ดีอ่ะแต่กูก็จะทําชั่วอย่างเงี้ยไอ้ดีอย่างงี้อ่ะไม่ทําดีไม่ทํากูจะทําชั่วอย่างเก่าเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะไปคนเนี้เลิกกันทำพระตื้อด้านดื้อขนาด <c oughs> สารัมพะยิงพยองเสริมซ้อนกันเลยยิงพยองถ้ามีสิ่งดียิงพยองมันก็ดีมันก็ดีอยู่บ้างไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ดีทีเดียวตัวเองมีดีแล้วก็ถือดียิงพยองในดีมันก็อย่พอกับข้าวชัวแต่ไอ้ไม่ดีไปหลงว่ามันดีแล้วก็ยึดไม่ดีนั้น ยึดไม่ดีนั่นหลงว่ามันดียึดยิ่งไปยองถือดีท่านตั้งแต่อทัทียึดไว้นะ่มันเสียของดีอ่ะไม่ดีไอ้อย่างนี้มียิงหน้าสมเพทเวทนามีในสังคมนี่มีอยู่ในพวกเราก็มีบางคนนะที่มันยังไม่รู้ชัดรู้เจนอันนั้นไม่ดีหรอกแต่ไปหลงว่าดีแล้วก็ยึดเอาไว้อันนั้นยิ่งกลับเลยตีลังกากลับ เอาละอันนั้นเลือกไปทําให้ถูกต้องแม้ถูกต้องแล้วว่าดีก็จะหลงยิงพยองในดีเกินไปนักไม่ยิงพยองก็คือถ่อมตนอย่าดูแคลนที่ตัวเองดีนี่มันมันยากนะมันมันละเอียดนะเรามีดีนกักดูแคลนคนอื่นเขามินเมย์เขาเองเมย์เน ด, ดีอะไรแล้วขาดีกว่า มันไม่ัมนไ ม, ม, นไม่มันไม่เรียบร้อยอย่างนี้เรานะมันยากกว่านี้แต่ก็ไม่ค่อยรู้ตัวใจเนี่ยมันเหลือร้ายนะบางทีกิริยาไม่เป็นนะมายากิริยาอ้ไม่ทาอ่อนน้อมทำตัวนี้เา้าแต่ใจนั้นหยามยันก็อยู่ในตัวขมก็อยู่ในตัวมินดูแคลนก็อยู่ในตัวแต่กิริยาข้างนอกโอ้ทำเป็นอ่อนน้อมทำตนทำเป็นยอม ไม่ได้ยอมจริงอะยอมเสแส้งยอมตลบตะแลงยอมแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ยอมใครเคยมัง่งเพิ่งจะรู้ตั ว, วเคยอะอาตมาว่าเคยมาทุกคนแหละน้อยหรือมากเคยมาทุกคนไม่ล่าเว้นอย่ามาบอกว่า ฉันไม่เคยคนนั้นก็คือคนโง่คนยังไม่รู้ตัวอ่านตัวเองไม่เป็นเคยทุกคนมันยอมในข้างนอกข้างใ น, นไม่ยอมอ่ะเคยทุกคนอย่ามาพูดเลยเรื่องใดเรื่องใดกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจริงๆเนี่ยความถือตัวอัตตามานะถือตนถือตัวถือมินแคลนคนอื่นเพราะอา่านอาการพวกนี้ดีๆเออจะไปดูถูกดูแคลนเขา ใครที่เขาตกต่ำใครก็ไม่ดีมันน่าสงสารน่าเวทนาน่าสมเพชน่าช่วยเหลือเป็นมนุษย์เดียกันแม่เขาจะเป็นศัตรูเราเขาทําไม่ดีเขาพยายามที่จะเข็นฆ่าเขาจะทําลายเราเขาไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปชังเขาไม่ต้องไปดูแคลนเขาเขาทําเพราะกิเลสของเขาเขาไม่รู้หรอกว่าทําอย่างนั้นมันไม่ดี ถ้าเขารู้เขาต้องไม่ทำหรือแม้เขารู้แล้วว่ามันไม่ดีแต่เขาอดใจไม่ได้มันก็เรื่องกิเลสมันแรงใช่ไหมเขาอดใจไม่ได้กิเลมันทำให้เขาทำอย่างนั้นมันก็เป็นดีอยู่แล้วมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเขาก็สะสมบาปของเขาอยู่ถ้าเราหลีกได้เลี่ยงได้ก็หลีกที่ตรงเกงเกงตรงไหนเกงตรงที่หลีกเลี่ยงไม่ต้องให้เขามาทำร้ายเราหลีกเลี่ยงเ การหลีกแบบไหนอะนักมวยนี่หลีกเดินเข้าหาก็หลีกเมือนันเดินเข้าหับเป็นเนปะ็นเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องถอยนะเป็นมวยรุกแต่หลบเก่งอย่างงี้เป็นต้นมวยรุกเนะื้อตั้งท่าชกนี่ลุกตะพัดพุทธนะแต่ลบเก่งเลีเ่ยงเก่งไม่เคถูกรักไว้อะไรอย่งี้ก็ตามใจสิแล้วคุณจะเป็นมวยถอยถอ ย, ถอ ย, ถ, อยถอยเลยนะแล้วแต่ถอยก็กิกนแรงเงินนะถอยมากๆากวัพยายามอย่าไม่ต้องถอยหรอกแต่ว่า เข้าใจให้ได้หลบให้เป็นเร็วรู้จักเลี่ยมมุมแต่ไม่ใช่ว่าเลี่ยงนะแต่เราต้องรู้จักว่าคําว่าหลบที่อาตมาอธิบายอยู่นี่ยกตัวอย่างเหมือนมวยนะัชกมวยอะไรเนี่ยก็คุณก็ฟังเอาเป็นรูปธรรมแต่านามาทำเราก็คือต้องรู้ให้ได้ว่าทางที่จะไม่ใชโกหกไม่ใช่ตอแหลตอลบตะแลงอะไรหรอกแต่เราต้องรู้ว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันก็รอดไปมันก็ไม่ประทบกันหรือมันก็ไม่เกิดผลเสียหายแก่กันและกัน ดีไม่ดีเป็นประโยชน์ด้วยนี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องฝึกฝนต้องมีประสบการณ์ต้องมีสิ่งจริงเกิดให้เราพิสูจน์เพราะคนเก่งจริงๆมาตรงนี้เป็นนายเราแล้วเราก็หัดฝึกทั้งกายกรรมวจีกรรมใจของเราต้องไม่ดูแคลนไม่พยายามที่จะไปทำร้ายคนอื่นด้วยแม้ถ้าเราเองไม่เก่ง เราไม่เก่งแม่หลบไม่ทันเปรี้ยงเ อ, อ่ยอมเจ็บเมื่อเร า, าโง่นี่เรายังไม่เก่งนึกว่าเราเลี่ยงได้หลบได้แลนะ้วเนาะเดินชนเปรี้ยงเลย เ, ววงนะงยเขาไวกว่ามือธนามูนักมวยก็ไวกว่าเปรี้ยงเขาต้องมันก็ได้ทดสอบกันนะคนจะคุณจะได้หัดความอดทนทนไหวไหมไม่อาตมาเห็นนักมวยมันชกกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราคงตายไปนานแล้ว แล้หมัดหนักด้วยนะพวกนักมวยไม่จะหมัดม่ใช่พวกเราลอพวกเราใชกสิบทีไม่ท่วมเท่าพวกมันมันพวกนั้นมันฝึกกันมาหนักมันซัดต้มต้มันทนจริงๆเราโหอึดบางคนเนี่ยนอกจากจะชกเท่านั้นไม่พอนียเห็นด้วยซ้ำมันตกช้าแดงซัดกันตรงั้นแดงปัดกันมาตรงนั้นเลยนะห่อเลือดเลยนแดงช้าแตกโดยเลือดไหลทนหมัดชกถูกลอยแตกเก่า ทนเลือดพลักมัทนโอ้ของเราในขนาดมันแตกนิดหน่อยหมอจะเย็บแผลก็ยังโอ้ยแล้วโอยอีกหมอก็พยายามทําเบาแล้วนะจะเย็บแผลนะอันนี้มันซกชกซ้ําก็ไปเอาใส่ต้องแผลเก่าก็ยังอึดเนี่ยจิตมันเนี่ยมันเอามันจะเอาชนะอะไได้ทนเก่งเอาความทนชนิดนี้มาใช้ในพวกเราหน่ยแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นสักหน่อยไม่ก็ทนละอ่อนแอ เปาะแปะอะไรนิดอะไรหน่อยไปแล้วมันไม่ใช่นักสู้สเสลยเขว่านิดว่าหน่อยเขกระทบนิดกิริยายามนิดยามหน่อยเจ็บปวดไม่รู้มันปวดอะไรกันนะกันหนาเห็นไหมมันถือหไหมมันโง่แมเขาฟางเงาเขายามเขาเหยียดยามเหยียดนั้นมันตรงไหมล่ะเขายามเหยียดถูกต้องเลยนะตรงด้วยนะสมน้ําหน้า เขาย้ำเยียดถูกต้องด้วยเขาย้ำเหยียดไม่ถูกต้องก่อนแล้วไปเขาไม่รู้จริงเขาโง่เขารู้ความจริงไม่ออกเขาก็มาย้ำไม่เยียดยังไม่ถูกไม่ต้องมันก็เป็นความโง่ของเขามันเราที่ไหนละแต่เขาย้ำเขาเยียดแล้วถูกซะด้วยนะแล้วตัวเองโง่ดักด้านน่ยไม่รู้ตัวน่ะเขาบอกใหรได้ไหมก็จะบอกอย่างย้ำอย่างเหยียดก็ตามถูกซะด้วยนะ เสแล้วเราก็ท he so. ําเป็นหญิงพยองไม่ฟังไม่รับไม่ดูไม่แอะเขาจะวางไงฉันเฉยฉันไม่รับไม่รู้โง่เขาแสดงออกมาให้เราอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขาแสดงออกไม่ใช่กรรมของเรากรรมเป็นของเขากรรมเป็นของของตนใครทําชั่วทำหยาดทำยังไงก็เรื่องของเขาแต่เขาจะบอกเราด้วยดีก็ดีเขาจะบอกเราด้วยแรงก็แรงเขาจะบอกเราด้วยเบาก็เบามันก็เป็นเรื่องของเขาเขาบอกแรง ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีบอกแรงไปถูกคนที่มันถือสามากๆสวนเลยทันทีไม่ต้องรอเวลาชาติหนาใช่ไหมแต่ถ้าบอกแรงๆกับคนที่เขาทนได้กับคนที่เขารู้จักรับผลสะ้อนออกมันก็ไม่มีถึงแม้ว่ามันไม่มีทางกายวาจาทางใจเขามีบ้างก็มันก็ไม่ออกมาแต่นั้นแหละเราก็ต้องรู้ประมาณว่า กายบาจาเขารับแรงกระแทกของเราขนาดนี้เขาไม่ออกตอบโต้มานะแต่ในใจเขาอากาดมากๆระวังนะทําเป็นดีไปเถอะเราไปดูถูกดูแกล้งเขาแรงๆหรือไปด่าไปว่าเขาไปตีไปเตีงเขาแรงๆแต่คนนั้นก็อดทนได้ท่นไม่แสดงกิริยาข้างนอกนแต่ข้างในหูดนุษย์สั่งสมไว้ไอแบบนี้นไม่ชาตินี้เดี๋ยวก็ชาติหน้า ไปเจอคนแบบนั้นระวังน้องอ่านก็มันกว่าไอ้คนนี้เป็นช่างผูกโกรธไหมช่างพยาบาทไหมถ้าช่างพยาบาทแล้วยายายาไปทำก็คนคนนี้อาทาไม่ช่างพยาบาทก็ลองดูเป็นผลกับเขาเหมือนกันคนไม่ช่างพยาบาทเขาคนนี้เอาถือแต่โกรธไม่ไม่ไมค่อยชอบผูกโกรธเป็นคนไม่มีนิสัยผูกโกรธแรงกระแทกเขาก็จะแสดงออกมาเร็วอถึงแม้ไม่แสดงออกมาเขาก็ไม่ถือสาเขาก็วางเขา มันก็ไม่ผูกพยาบาทกันต่อไปเขามีอภัยมีการไม่ผูกโกรธก็เป็นความดีของเขาแต่แต่คนจะเป็นเป็นงนั้นอย่างไงอ่ะเขาจะเป็นอย่างผูกโกรธหรือไม่ผูกโกรธคุณรู้ได้ไง่ายเหรเพราะนั้นจะระวังระวังอารตมาอยากจะให้พวกเราเนี่ยอ่านความดูแคลนนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยอ่านความดูแคล น, น ความดูแคลนของตัวเราเนี่ยปดูแคลนคนอื่นโดยเฉพาะมาดูแคลนผู้ที่เขาเป็นผู้รู้ผู้ที่มีคุณค่ากว่าเราดูแคลนสมณะดูแคลนสิกขามาดูแคลนเพื่อนเราเนี่ยผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดกว่าเราผู้สูงกว่าเราแล้วเราก็ไม่รู้โง่โง่ะไปดูแคลนเขาระวังดูแคลนความสูงของดูแคลนคนสูงดูแคลนพระพุทธเจ้าเป็นไงสวยสิ อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆไปดูแคลนพระพุทธเจ้าดูแคลนพระปัจเจกดูแคลนพระอระหันดูแคลนพระอริยเจ้ามันเป็นความจริงเป็นชั้นๆเพราะอย่าไปดูแคลนผิดแม่แต่เขาไม่ได้สูงกว่าเราสงสารกันเข้าใจกันให้ชัดเออเขาต่ากว่าเราก็รู้ว่าต่ากว่าเรา แต่ไม่ต้องมีกิริยาดูแคลนหรือกิริยาคมมันเป็นผู้ดีไหมถ้าตามกเราเขาด้อยกวเราเขาน้อยกวเราก็จริงอยู่แล้วเราก็ไม่ข่มเขาไม่ดูแคลนใจไม่ดูแคลนกายวาจาก็ไม่ไม่ควรดูแคลนแต่กายวาจาที่มันจะแสดงกิริยาเหมือนคมอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคมคนที่คนคมยกคนที่ควนยก และคุณเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราข่มทั้งกายวาจาใจใจก็ไปข่มคนอื่นด้วยใช่ไหมเข้าใจพระพุทธเจ้าสอนนี้เปล่าฮะไม่หลอกพระพุทธเจ้าสอนให้ข่มคนที่ควรข่มก็คือข่มแต่กายแต่วาจาที่เป็นกิริยาที่จะเป็นประโยชน์แก่กัๆๆนและกันต้องข่มต้องดูถูกด้วยวาจาด้วยกายนะ เมื่อคราวที่ควรจะดูถูกที่ควรควรข่มกาละที่ควรข่มคนที่ควรข่มก็ข่มตามกาละข่มตามฐานะของคนที่ควรข่มแต่ข่มเฉพาะกายกระใจกายกระวจาใจเท่านั้นใจไม่ควรไปข่มก็หรอกใจเรารู้ให้ได้ว่าเราทำอันนี้เพื่อผลประโยชน์เพื่อความเมตตาเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อทำลายให้เขาตายให้เขาตกต่ำให้เขาลาบากให้เขาได้ทุกข์ให้เขาได้ชั่วไม่ใช่ เพื่อให้เข้าได้ดีเพราะมันเป็นศิลปะมันเป็นกิริยาเป็นสิ่งที่เราปรุงด้วยวิสังขารหรืออิทธาพิสังขารหรือปุญญาพิสังขารปรุงเพื่อที่จะให้ชําระให้เกิดการชําระกิเลสปุญญาพิสังขารแก่เขาเราต้องรู้ความจริงที่เราปรุงไม่ใช่ทาด้วยอารมณ์ของเราข่มเข้าด้วยอารมณ์ข่มเข้าด้วยความถือดีข่มเข้าด้วยความหยิ่งพยองของเรา ถ้าขมอย่างนี้นับรองใ้ตัวประมาณไม่มีอะพื้นไอ้กิเล่มันขึ้นหน้าพื้นข่มเขาด้วยความอวดดีเพียงเพืย้งยองข่มเขาไอ้ น, นี้ไม่ใช่ข่มโดยความรู้ไม่ใช่วิสังขารวิสังขารต้องมีปัญญาประกอบหรือมีประมาณประกอบมีสัตบุรุษไปมีสัุริสธรรมสัตบุรุษเป็นความเป็นสัตบุรุษประกอบเพราะเราจะปรุงออกอย่างไรมันเป็นการปรุงที่คนนี้จะต้องมีจิตวิญญามีธรรมวิจัยสัมโพชงมีมุทุภูตรธาตุมีความแวววาย รู้ต ก, กะวิต ก, กะสังกะปะอัปปนาพยพ ป, ปนาเจตสโภพิโรปนาปจีสังขารารู้จักสังขารทันอย่านี้ฝึกอันนี้มาในองค์ธรรมหกเนี่ย ต, กกตักะวิตกะสังกะปะอัปปนาพยปปนาพวกเราจะมีความมั่นคงแน่นอนขนาดไหนจิตที่แข็งแรงที่ไม่หวั่นไหวของเราจริงที่เป็นความบริสุทธิ์ใจของเราจริงขนาดไหนเราจะรู้ว่าเราบริสุทธิ์อยู่แข็งแรงอยู่แต่อันนี้เจตนาเอามาปรุง ก, การวิจัยก็คือปรุงได้เหตุในผลปรุงเพื่อประโยชน์เขาเราไม่ได้บำเรอความเป็นกิเลส ข, ของเราเลยด่ามันหน่อยสะใจดีข่มมันหน่อยดุถูกมันหน่อยสะใจดีไม่มีเพราะเราจะรู้สังขารนั้นนี้เป็นวิสังขารสังขารอย่างยิ่งสังขารตามฝีม้ลายมือของผู้สังขารนั้นเพื่อประโยชน์เขาไม่ใช่เพื่อสะใจตัวเองไม่ใช่เพื่อบำเรอตนเอง เพื่อประโยชน์ปรุงขนาดนี้เขาจะได้เมื่ออย่างพระพุทธเจ้าบริภาทบริภาทสงแน่นอนคำดุคำด่ามันมันก็เป็นการสังขารไม่ใช่คำเรียบร้อยด้วยไม่ใช่คำชมด้วยมันก็ต้องเป็นคำที่บริภาทก็กล่าวคำด่าคำดุคำว่าแน่นอนคำดูถูกแน่นอนคำหมิ่นแคลนแน่นอนแต่คำหมิ่นแคลนนั้นท่านก็ด้วยเจตนา กูสละเจตนาแล้วท่านก็มีปัญญามีความรู้ประมาณประมาณว่าดุอย่างนี้ข่มอย่างงี้จะกลายวาจาแต่ใจไม่ได้ถูกถูกใจปรารถนาดีจริงๆเนี่ยมันเหมือนเล่นละครมันเหมือนดาราดาราตุ๊กตาทองแสดงบทนี้แต่ใจไม่เป็นนั่นจริงๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากระวังอจะไปแก้ตัว ใจตัวเองเนี่ยดูถูกดูแคลงแล้วก็แหมทําให้สะใจไปข่มคนอื่นไปด่าคนอื่นเสร็จแล้วก็บอกนี่ฉันด่าเธอด้วยความสงสารนะฉันปรุงเพื่อที่จะเตือนเธอนะแต่ที่จริงสะใจตัวเองนะแล้วก็แก้ตัวเอาดีเอาหน้าที่จริงทำให้สะใจตัวเองจะไปมันบาปซ้ําบาปซ้อนตัวเองเลวแล้วยังไม่พอยไปโกหกคนอื่นต่อเพื่อเอาดีอีกมันบาปเห็นไหมเห็นมันบาปเป็นชั้นๆซ้อนกันไป ตัวเองเลวที่ไปได้ทำให้มันสมใจตัวเองให้มันสะใจตัวเองไปด่าไปขม่มไปทําร้ายเขาอแล้วยังมาพูดเอาหน้าอีกโกหกเขาหนาดันๆโกหกเขาจริงๆามาว่าฉันทำเพื่อเธอยังนู้อย่างนี้ตองที่ซัดไปแล้วสะใจไปแล้วแล้วก็มาโกหกเขาอีกมันก็ได้บาบยกกาลังไม่ใช่ยกกาลังธรรมดานะอันนี้ไม่ใช่ยกกําลังสองนะ ยกกำลังร้อยกำลังพันเลยน ะ, นะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่ากระทำะยังให้เราฝึกสังวรระวังในพวกเราเนี่นะชาวาโศเราเนี่ยแต่ดีมาอาตมาบอกแล้วว่าพอเรามีดีแต่นั่นแหละมันจะรู้ตัวง่ายๆไม่ได้หรอกมันไม่รู้ตัวง่ายๆว่าเรามีดีแล้วเราก็ถือดีถือตัวก็คือมานะมานะคือถือดีอัตตาคือถือตัว ตัวนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ค่อ ย, อยเป็นชั้นชั้นมานะมันก็เป็นความหยาบกว่าอัตตาหน่อยนี่มานะมันมีความหมายที่มันหยาบกว่าเยอะกว่าที่จะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเสร็จแล้วแม้แต่เราจะลดมานะได้แล้วมันก็เป็นอัตตายังมาถือตัวอยู่นี่มันเป็นตัวมันยึดติดอยู่แม้จะเป็นตัวดีแล้ว แต่ขายปรับปรุงไม่มีมานะแล้วก็ตามหมดมานะสังโยชน์แล้วมันก็ยังเป็นอุทธะจัมมันก็ยังเป็นอวิชชาสูงสุดได้อวิชชาตรงที่เมละอัตตาเมละอัตาภาพนี้ไม่หัดวางอัตาภาพนี้แม้มันจะดีขนาดไหนที่ทำได้ดีเป็นประโยชน์คุณค่าขนาดไหนก็ไม่น่าหลงติดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นานนับกับการซึ่งศาสนาปรมาตมันก็ไม่ได้ปล่อยไม่มีคําสอนละอัตตาตัวนี้ เขาจะไปอยู่กับพระเจ้าเป็นความดีกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขากำนวนกันประมาณกันพระเจ้าของเขาก็มีพระเจ้าของพุทธเราก็มีพระเจ้าของพุทธของเราเนี่ยมันซ่อนเชิงละเอียดละออนกันไปสูงทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นผู้ให้ผู้สละเป็นผู้ทาให้จิตบริสุทธิ์จริงๆสะอาดบริสุทธิ์อย่างละเอียดละออถอนอนุสัยอาสวะอย่างจริงจังเลย แต่นั่นแหละถึงอย่างนั้นมันก็อยา่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราในของพุทธเจ้าจะมีปรินิพานหรือมีนิพานอย่างนี้ในเรียกการเล่าเล่าอะไรมาจนกระทั่งถึงพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาก็จะสรุปน้านี่ท่านสมภารท่านฟังไปท่านก็เห็นว่าพุทธพจน์จากสัพพุริสสูตรเนี่ยสัพพุริสสูตรในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเ็อ เ3เอามาให้ด้วยก็ขออ่านเป็นตัวสุดท้ายเลยว่าดูกระพิษุกทั้งหลายหญิงสะใยที่ถูก น, า น, น, น, นํามาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเท่านั้นอ๋อนํามาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งหญิงสะใยที่ถูกนํามาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเท่านั้นนางตั้งฮิริและโอตปะได้อย่างแรงกล้าในแม่ผัวพ่อผัวและผัว โดยที่สุดในคนรับใช้และคนทำงานสมัยต่อมานางอาศัยอยู่คุ้นเคยจึงกล่าวกับแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างและผัวอย่างนี้ว่าจงหลีกไปก็พวกท่านรู้อะไรดังนี้ฉันดใดเพียการพูดบอจงหลีกไปแกรู้อะไรอะไรอย่างนี้ที่พูดท่านนี่มันเพราะเหลือเกินจงหลีกไปท่านรู้อะไรก็ได้น่ะพูดกับพ่อกับแม่ ดังนี้ฉันดังนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันเพียงออกบวชได้วันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นเธอตั้งหิริและโอตปะไว้อย่างแรงกล้าในพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายโดยที่สุดในคนวัดและสามเณรสมัยต่อมาเธออาศัยความอยู่ร่วมจึงกล่าวกับอาจารย์บ้างกับอุปัช้าบ้างอย่างนี้ว่าจงหลีกไปกบุกท่านรู้อะไรดังนี้ แค่นี้นะแค่จำนวนแค่นี้นะท่านถือว่าขม่มหรือดูถูก ด, ดูแคลนแล้วนะเพราะเหตุ น, นั้นแหละพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีใจเหมือนหญิงสะพ้ยซึ่งมาใหม่อยู่ดูกระพริกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลให้แสดงอาการอย่างสะพ้ายนะหรือเปล่าให้แสดงหรือเปล่าให้ทําใจเหมือนกับ ตั้งฮิริและโอตปะได้อย่างแรงกล้าในทุกๆคนอย่าว่าแต่แม่ผัวพอ่พอผัวแม่ก็ทั้งคนใช้หรือคนทำงานหนาให้ตั้งใจให้อย่างนั้นอ่ะเอาละเลยเวลาไปามาแล้ว